คว่าทำสมาธิมันก็ต้องสตินะอันดับหนึ่งศรัทธาบิดิยฐ ส, สติสมาธิปัญญาศรัทธานี่เป็นเครื่องเป็นความเชื่อของแต่ละคนถ้าความเชื่อมาก ความเพี่ยนก็มากถ้าความเชื่อน้อยความเปลี่ยนก็น้อยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเอาศรัทธาขึ้นก่อนศรัาทธามากตัวเดียวสี่อย่างนั้นไม่มีปัญหานะ่ะอันนั่งตัวตรง เดียวจะรับผิดชอบทั้งกายและใจรับผิดชอบการรับผิดชอบของสตินั่นคือรับผิดชอบกายก็คือให้กายตรงรับผิดชอบจิตใจก็คือไม่ให้จิตใจออกไปภายนอก สติตัวเดียวนั่นแหละเขาจะมีเขาจะเร็วมากพวกเรายังไม่รู้จักสตินะ่ะเดี๋ยวนี้จิตของพวกเราก็คือติดอยู่ในดงอารมณ์นั่งสมาธิตัวตรงนะ่ะ เป็นตัวรู้ <c oughs> จิตของพวกเราตกอยู่ในดงอารมณ์เขาพูดไม่เป็นแต่เขาคิดได้ทั้งวันยกเว้นเวลาหลับเขาไม่มีภาษาพูดเขามีแต่ภาษาคิดเดี๋ยวนี้เขาติดอยู่ตรงนั้นแ่ะเขาออกไม่ได้ ถ้าผู้เป็นเจ้าของไม่เข้าไปช่วยขเขาเ็ออกมาไม่ได้เขาจะติดอยู่ตรงนั้นทีนี้ผู้เป็นเจ้าของผู้เป็นเจ้าของเนี่ยก็คือร่างกายอันนี้กับสติสติของพวกเราอยู่ที่ไหนพวกเราเดินอยู่ในห้าง พรสสินค้ามีสติไหมอันนี้ธรรมะลักษณะคุยกันไปด้วยได้นะใครมีอะไรห้องใจขึ้นมายกมือถามได้เลยเราเดินอยู่ในห้างสัพพสินค้ามีสติไหม มีก็เหมือนไม่มีเพราะไม่ได้ใช้ใช่ไหมระยะที่เราเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าจิตของเราอยู่ที่ไหน ความตั้งใจหลักแรกว่าจะไปซื้อสิ่งนั้นใช่ไหมแล้วพอเดินเข้าไปแล้วสติอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ไหนรับรองว่าไม่ได้อยู่กับตัวเราแล้วละ่ะจิตมันจะอยู่ทางขวามืออยู่แบบห่าง สติมันจะอยู่ซ้ายอยู่สติอยู่ซ้ายมือเนาะจิตจะอยู่ขวามือแบบห่างๆจิตมีหน้าที่ดูแลสติมีหน้าที่ดูแลรักษาใจทำยังไงจะให้สติรู้จักกับใจได้ จิตอยู่ขวามือสติอยู่ซ้ายมือแบบห่างๆสมมติว่าเราจะซื้อสิ่งใดสิ่งหนึ่งสองตัวนี้จะบินมาบวกกันเชะเลยจะซื้อหรือไม่ซื้อพอนึงภาพออกไหมพอซื้อของเสร็จปุ๊บเขาก็จะจากกันไปอยู่ตามธรรมชาติเดี๋ยวนี้จิตของพวกเราติดอยู่ในดงอารมณ์ของความคิด ซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้แม้แต่นิดเดียวสติของเราสติตัวเนี้ไม่ได้ทำงานอะไรนะเขาจะนอนนอนไปในนอนเฉยๆนะเอาขาไขว้แล้วก็เอามือสบายสติตัวนี้เขาไม่ได้ทำงานอะไรเลยงานที่เขาจะทำคือตอนเราเกิด เหตุฉุกเฉินอย่างเช่นเขาขับรถปราดหน้าเราสติเตัวนี้ก็จะมามาเสร็จแล้วเขาก็ไประยะที่เขามากับเขาไปเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะมันเป็นธรรมชาติสติเตัวนนี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์เขาจะไม่มาเลยงานเขาน้อยมาก ส่วนกินเลฟอารมณ์มละแสนแสนเรื่องยกเว้นเวลาหลับใช่ไหมใช่ไหมสติเขาจะมาแบบเหตุการณ์ฉุกเฉินสมมติว่าเราจะเรากำลังมีปากเสียงกับคนใดคนหนึ่งสติก็อยู่นั่นแหละแต่เราก็ไม่รู้เขา สติเขาไม่มีงานทําจิตเสพอารมณ์ยิ่งเสพยิ่งหิวยิ่งเสพยิ่งเสียยิ่งเสพยิ่งจะเป็นง่อยจิตสติก็เหมือนกันไม่มีงานทํายิ่งนอนยิ่งเสียพลัง จะเป็นง่อยกิตเสพอารมณ์จะเป็นง่อยสตินอนอยู่เฉยๆจะเป็นง่อยทีเนียวกิตเสพอารมณ์สตินอนอยู่เฉยๆทำยังไงจะให้สองคนนี้มารู้จักกันเอาละงานนี้เกิดปัญหาใหญ่สติเนี่ย จะเอามารักษาใจทำยังไงเขาจะมาหากันได้นี่น่าคิดนะน่าคิดถ้าผู้ไม่ศึกษาตัวจริงจริงเนี่ยจะไม่รู้วิธีการที่จะเอาเข้ามาบวกกันมาอยู่ด้วยกันไม่ยากเลย ใครมีใครเรียนหลักสูตรของหลวงพ่อวิิยังบ้างอ่ะยกมือยกสูงสูงยกสูงสูงเลยหลวพ่อบิิยังท่านจะถามว่าใครคือผู้รู้ใช่ไหม แล้วท่านก็ไม่ได้ต่อเติมให้เลยว่าตรงนั้นน่ะคือผู้รู้ตรงนี้น่ะคือผู้รู้ท่านก็ไม่ได้ต่อเติมท่านพูดแบบเป็นปัญหากับพวกเราก่อนท่านจะเปิดหลักสูตรท่านต้องต้องถามว่าใครคือผู้รู้แล้วท่านก็อธิบายอื่นๆไปเลยใช่ไหมไม่ได้ชี้ให้เลย ใครรู้จักผู้รู้ชัดเจนคนนั้นจะครึ่งทางแล้วนะครึ่งทางของคนเป็นพระนิพพานแล้วนะตอนนี้พวกเรารู้จักผู้รู้หรื อ, อยังร่างกายนี้เขาประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลม แล้วก็ประกอบไปด้วยอยตนะทั้ง 6, หกหูตาจมูกลิ้นกายใจประกอบไปด้วยขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาตจิตประกอบด้วยอะไรจิตคือทารู้เฉยเราทานข้าวเนี่ย เราจะรู้เปรี้ยวหวานมันเค็มที่ลิ้นใช่ไหมลิ้นเป็นตัวสัมผัสเฉยๆนะลิ้นไม่ลิ้นนี่ไม่รู้นะเปรี้ยวหวานมันเค็มรู้อยู่ที่ใจพอเข้าใจไหมคือหูเนี่ยเขาเป็นใหญ่ในการฟังเสียงเฉย ๆ, ๆเขา หรือไม่เพราะเขาไม่รู้ตัวเพราะหรือไม่เพราะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตาก็เหมือนกันเป็นใหญ่ในการดูรูปลออไม้สวยไหมอยู่ตรงนี้เขาเมีหน้าที่เขาเป็นใหญ่ในการ ดูรูปเฉยๆสวยหรือไม่สวยเขาไม่รู้สวยหรือสวยสวยหรือหล่ออยู่ตรงนี้อาจารย์ครับพอโดยปกติธรรมดาเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าคน ข, ขาดทำโดยใช้แตะนี่ก็คือความคุ้นเคยความเข้าใจห น, น่อยครับเพราะเป็นพ่อหูฟังดูแต่ทุใช้ทุกอย่างก็คือมยอยู่ที่ขาดดูใช่ ถ้ารู้เขาเรียกว่าบิน ญ, ญาณรูปเบทนาสังขารสัญญาสังขารบิน ญ, ญาณบิญยาณตัวนี้จะเป็นคลังคลังเก็บเก็บบิน ญ, ญาณทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายมาไว้ที่บิน ญ, ญาณตัวเดียว อต่อตอนสติกับกจิตก่อนสติกับกจิตอยู่คนละที่แล้วยังไงจะทำให้เขามาเจอกันสติที่เราเคยใช้อยู่ทุกวันเขาเรียกว่าสติธรรมชาติสติพระกรรมฐานเขาเรียกอะไรสติะระลึกถ้าไม่มีกายก็ะระลึกไม่ได้ ทั้งสติและกายอยู่ที่เดียวกันแต่ต้องเลึอกกายกับสติเป็นเครื่องมือที่จะไปเอาจิตมาบำรุงรักษาเข้าใจไหมทีนี้การที่จะเอาสติมาบวกกับจิตใครเอาฐานไว้ที่รวงอกบ้าง เลยตรตรกันเอาตรงตรงลิ้นปี่อัตมารตรงลิ้นปี่นะที่เป็นช่องเล็กๆอยู่นี่สี่โครมันสุดแล้วมันก็มีช่องอยู่นิดหนึ่งอาตมาเอาตรงนี้ไม่ยาก เอาสติบวกกับจิตไม่ยากคุณลองมองจุดใดจุดหนึ่งเล็กๆ เ, เขาบวกกันแล้วคุณตั้งสติเท่านั้นแหละจิตจะเสพอารมณ์ที่อยู่ อ, ยอเมริกาหรือประเทศฝรั่งอังกฤษคุณตั้งสตินี้จิตจะทิ้งอารมณ์นั้ปื้ดมาเลยสติที่คุณตั้งก็ตั้งขึ้นมาแล้วจิตก็ตั้งสติปุ๊บเขาบวกกันแชะเลย ลองลองตั้งใจตั้งสติอ่ะสูดลมหายใจเข้าลึกๆตั้งสติเขาจะบวกกันเชะเลยระยะที่เราตั้งสติอยู่นค่ครึ่งนาทีหรือว่าวินาทีเนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องอะไรเลยอันนั้นเขาบวกกันแล้ว ทีนี้พอตั้งสติปุ๊บแล้วคุณนึกมาที่ดินปีเขาบวกกันอยู่ตรงนี้แล้วคุณจะดูได้คุณจะรักษาเขาให้อยู่ได้นานไหมนานหรือไม่นานเป็นพลังของสตินะ่ะถ้าคุณอยู่กับเขาได้เป็นวันๆโอเค แต่ทีนี้ด้วยสติของเรามันไม่เคยทำงานมันมีตั้งแต่นอนอยู่เฉยๆแล้วลึกมาให้รู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่ได้ไม่นานเขาก็จะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงจิต ก, ก็ได้หนทางที่จะออกไปเสบอารมณ์พอเข้าใจไหมพอ สติตัวนี้อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงระยะเขาบวกกันอยู่สติอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงตัวนี้ก็ไปเลยสติพอกไปอยู่แล้วตั้งไหมนี่เครื่องมือเขาเรียกว่าสติระลึกระลึกพอเราตั้งสติปุ๊บเขาก็บวกกันเชะแล้วเอามาไว้นี่เลยสติบวกกับจิต กลายเป็นความรู้สึกให้รู้สึกอยู่ที่ลิ้นปี่ความรู้สึกตัวเนี้ยจะไม่มีรูปแสงสีเสียงรูปลักษณ์สานอะไรเลยเป็นความรู้สึกที่ผู้ปฏิบัติรู้สึกเองเวลามันน้อยนะที่กันแบบ สดสดเลยนะปลาจอบฟังนะผิดตรงไหนด่าเลยอันนี้ชัดไหมโอ้ชัดเพราะฉะนั้นให้พวกคุณทำความเข้าใจตรงนี้ให้ได้เพราะการสำเร็จเป็นพระอารหันนี้ใช้เวลาไม่ถึงนาทีนะมันยากตังก้งแต่ ทำสมาธิทำฌานทำยานให้เกิดนี่แหละการที่จะเป็นพระอาหารหันต์นี่ไม่จำกัดอริยบรเลยนะ่ะยืนเดินนั่งนอนไม่สำคัญเขาสลัดชั่วเดียวโช่เดียวแค่นั้นนะจบเพราะฉะนั้นสติตัวเนี้ยถ้าคุณขี้เกียรระลึกเขาจะไม่มีพลังคุณระลึกอยู่นั่นแหละระลึกดูความรู้สึก ถ้ารู้ว่ามันหายตั้งสติตั้งสติแล้วก็มองด้วยตาในด้วยความรู้สึกตัวนี้จิตบวกสติเป็นความรู้สึกทำความรู้สึกอยู่ในความรู้สึกพอเข้าใจไหมความรู้สึกอยู่ในความรู้สึก ถ้าเราอยู่กับความรู้สึกได้นานๆสติกับกจิตนี้เขาจะสะสมพลังขึ้นมาสะสมพลังขึ้นมาแล้วลึกอยู่เรื่อยๆอย่าขี้เกียจระลึกนะ่ะระลึกอยู่เรื่อยๆระ ล, ลึกทีนามองฐานที่ตั้งทันทีเขาก็จะบวกกันเชะ อ, อยู่นี่แหละเมื่อเขาบวกกันแล้วเรารู้อยู่กับความรู้สึก เมื่อเรารู้อยู่กับความรู้สึกได้เต็มรูปแบบจิตยิบยับที่จะเป็นอารมณ์นี้เขารู้กันเขาจะสติเขาก็จะตัดโชะตัดโชะเลยสติเท่านี้อย่าขี้เกียจระลึกระ้ละึกอยู่เรื่อยๆใหม่ๆนี้แล้วลึกอยู่เรื่อยๆพอเข้าใจไหมตรงนี้ ตัวรู้ผู้รู้ก็คือจิตบวกกับสตินี่น่ะกลายมาเป็นผู้รู้กลายไปเป็นความรู้สึกถ้ากลายไปเป็นความรู้สึกเขาก็จะบำรุงรักษากันอยู่ในตัวของเขาระยะที่เราบังคับให้เขาอยู่ด้วยกันฟังดีๆนะอันนี้เอาไปทำ ฟังดีๆทาความเข้าใจดีๆแล้วเอาไปทําเมื่อรู้สึกว่าตัวเองไม่มีสติควบคุมแล้วตั้งสติขึ้นมาสติตั้งขึ้นมาเรื่อยๆเขาจะมีพลังขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสังเกตได้ตรงไหนสังเกตได้ตรงที่ว่าเขาทีเข้าโดยอัตโนมัติเขาจะทีเข้า ถ้าเราละลึอกอยู่บ่อยๆนี้เขาจะทีเข้าทีเข้าทีเข้าทีเขา้เข า, ขาจิตนี้ก็จะอ่อนตัวลงในการเสพอารมณ์จะอยู่ที่ฐานบวกกันกับสติเป็นส่วนมากอันนี้ถ้าเราทํานะถ้าเราไม่ทําเขาไม่เจริญเลยนะ่ะถ้าจิตอ่อนตัวสติมีพลังอ่อนตัวจากการปรุงแต่งนะ อ่อนตัวจากการเสพอารมณ์ถ้าเขาอ่อนตัวจากการเสพอารมณ์เขาจะมาสะสมพลังด้วยการไม่ได้เสพอารมณ์ถ้าเขาเสพอารมณ์นี้คือธรรมชาติคือตามยถากรรมถ้าโดยตัวเองควบคุมปราศจากการเสพอารมณ์ถึงจะเป็นการปลอกกำลังจิตอย่างถูกต้องนะ พอเข้าใจไหมมีใครไม่รู้จักความรู้สึกบ้างเนี่ยจิตนี้เขาเสพอารมณ์ยิ่งเสพ ย, ยิ่งเสียยิ่งเสพ ย, ยิ่งหิวยิ่งเสพ ย, ยิ่งอยากเสพแต่ไม่มีวันอิ่มตัวการเสพอารมณ์ ส่วนมากเขาจะเสพตั้งแต่เรื่องบาปใช่ไหมใช่หรือไม่สมมติว่าโกรธคนใดคนหนึ่งเนี่ยเอามาคิดเรื่องเดียวครึ่งวันมีไห ม, มนี่แหะเขาอยู่ด้วยเพราะบาปเพราะละละบุญ บาปเขาก็อยู่ได้บุญเขาก็อยู่ได้เรื่องเดียวเอามาคิดเป็นพันๆครั้งก็มีเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้จิตดวงเนี้ยเอาไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์องค์ไหนเทศเลยว่าหยุดจิตได้ไม่เคยเห็น แม้แต่ตำราหลวงปู่ดุลเราก็เข้าไปศึกษานะหลวงปู่ดุลพูดไว้เลยในหนังสือใครจะมาหยุดจิตไม่ให้คิดไม่ได้ในหนังสือท่านนะใครจะมาหยุดจิตไม่ให้คิดไม่ได้แต่อัตมาหยุดมาแล้วหยุดมาแล้ว มันหนึ่งหนึ่งไม่คิดสักเรื่องก็มีหยุดมาแล้วถึงได้เอามาสอนกันนี้นะถ้าเราอยู่กับความรู้สึกตั้งสติถ้าเพียงตั้งสติเท่านั้นเราถึงบอกว่าร่างกายเนี่ยสติก็อาศัยร่างกายนี่แหละดึงมาคือระลึกระลึกนี่มันเป็นส่วนของสมองแล้วนะตั้งสติปุ๊บเขาบวกกันทันทีเลย เพราะฉะนั้นเพื่อให้ง่ายตั้งสติมองที่ฐานเขาบวกกันอยู่ตรงนั้นแล้วเป็นความรู้สึกแล้วรู้อยู่กับความรู้สึกรู้อยู่กับความรู้สึกจิตจะไม่มีอารมณ์เสีบได้เลยถ้าเรารู้อยู่กับความรู้สึกนี้เขาจะปราศจากอารมณ์น่ะแต่ไม่ใช่ว่า ท, ทําติดครั้งสองครั้งนะทาเป็นหลายวัน อาตมานี่ททำอยู่สองสองวันแค่นั้นน่ะจบเลยนะ่ะแต่พวกคุณจะทำไม่ได้วันหนึ่งหนึ่งนี้เราจะพยายามมองเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ให้คิดมึงคิดมึงตายมึงมีหน้าที่อยู่ที่ฐานอย่างเดียวแล้วจี้อยู่สองวันแค่นั้นจบเลยจิตเนี่ย ดึงมาตั้งสติแล้วมองที่ฐานอยู่ให้ได้นานๆตั้งสติมองที่ฐานให้อยู่ให้ได้นานๆเราทำอยู่สองวันจิตนี่ขาดจากอารมณ์ข้างนอกเลยขาดไม่ขาดเฉยๆนะลักษณะจิตขาดจากอารมณ์ข้างนอกเนี่ขาดแล้วเขาจะหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาการหดตัวของเขานี่เขาคล้ายๆจะบีบ เ้าจะบีบหน้าอกเรารีดหน้าอกเราให้เป็นก้อนหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามามาเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอยู่ฐานที่ตั้งเลยเป็นหนึ่งอยู่ฐานที่ตั้งนี่รู้สึกว่านิ่งมากนิ่งขนาดไหนรู้ไหมโยกตัวขนาดนี้ไม่รู้สึกตัวเลยว่าโยก เอาหน้าผากจุดลงพื้นก็ไม่รู้สึกตัวเลยจิจที่เะ็นิ่ ง, งร่างกายนิง่งไปหมดเลยนะร่างกายนิง่งตรงนิ่งโอ้โหมันนิ่งจริงๆินิ่งผิดปกติแล้วก็เบาเราจะไม่รู้ตรงนี้แหละ ว่าจิตกับอารมณ์มันหนักขนาดไหนพราะเขาขาดจากอารมณ์ข้างนอกนี่เบาเบาหมดเลยเดินแรงไม่ได้มันจะเหาะจะเหินไปเลยนะ่ะพวกคุณต้องทำให้ได้อย่างนี้ถ้าเขาขาดจากอารมณ์แล้วมาอยู่มามีความนิ่งเกิดขึ้นตอนนั่นลหละ จิตกับสติจะสะสมพลังเต็มที่สะสมพลังเต็มที่เต็มที่เต็มที่ได้สองวันแค่นั้นนะสองวันแรกอ่าจิตขาดจากอารมณ์สติก็คุกกลายมาเป็นไม่ได้เลอะลืแล้วกลายมาเป็นสติควบกลุ่มจิตยิบยับ ที่จะคิดเขาตัดโชว์เลยนะตัดโชว์เลยตัดโชะเล ย, เลยถ้าเป็นลักษณะนี้เขาเรียก ว, ว่าสติอยู่ในตำแหน่งควบคุมเขาจะแก่ตัวขึ้นไ ป, ไปเป็นสติควบคุมจิตจะออกไม่ได้พอจิตออกไม่ได้สองอีกสองวันต่อมาอาการสัมปชัญญะเกิดขึ้นเลยสัมปชัญญะเนี่ย มันจะหยิบเอาอาการความรู้สึกตัวนี้แหละออกมาแล้วมาเป็นอาการของสัมปชัญญะหมุนปึ๊บปึ๊บ๊บบบบบบบบ๊ให้เรารู้ตัวนี้ก็ไม่มีเราก็ไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์องค์ไหนพูดนะสติคือความระลึกสัมปชัญญะคือความรู้ตัวใช่ไหม รู้ตัวนี้บางคนก็เข้าใจว่ารู้ในร่างกายของตัวเองทั่วสารพัางร่างกายก็ถือว่าสัมปัจจัญญะใช่ไหมรู้ตัวอยู่ชักระยะหนึ่งสามสิบนาทีหรือว่าชั่วโมงก็ถือว่าเป็นสัมปัจจัญญะใช่ไหมนั่นคืออาการเขาเฉยๆนะ ชั่วครั้งชั่วคราวมันเป็นอาการแต่อาการสัมปัชญะญที่เกิดจากจิตนิ่งจิตเป็นหนึ่งแล้วก็ถูกผู้เป็นเจ้าของพัฒนาทางด้านสติขึ้นมามีพลังเขาจะมีอาการสัมปัชญะญข้างเคียงปุ๊บป๊บป๊บป๊ บ, ปบถ้าอาการตัวนี้เกิดขึ้นพวกคุณอย่าไปอยู่กับความรู้สึกให้มาอยู่กับอาการความ สัมปชัญญะทันทีสัมปชัญญะเนี่ยเขาจะทํางานวันเต็มวันวันเต็มวันไม่ขาดแม้แต่บินาทีเดียวเตละวันเข้าใจไหมน้อเข้าใจไหมน้อเขาจะทํางานฟืดฟืดฟืดพอเราเป็นเนล้มตัวลงจะนอน พอเราจะหลับสัมปชัญญะตัวนี้ดับฟึบเลยนะตื่นเช้ามาเรารู้ตัวยังไม่ได้อะไรเลยเพียงแค่รู้ตัวว่าตื่นขึ้นมาแล้วตัวนี้มาก่อนเลยนะฟืบฟึบฟึบฟึ บ, ฟ, บฟึบเลยให้เราอยู่กับอาการนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้น ถ้าอาการข้างเคียงเกิดขึ้นแล้วให้พวกคุณไปหาที่นั่งดีๆที่จะไม่มีคนพุ่นผ่านที่จะไม่ได้พูดคุยกับใครอาการข้างเคียงคือปลาจอบเกิดมาแล้วหมุนเหมือนพารามอเตอร์มาติดอยู่ในข้างหลังข้างหน้าจะเหาะจะลอยหมุน ถ้ายินหรือว่าเรานี้กวาดลานวัดอยู่เนาะเรากวาดลานวัดตาเนื้อของเราก็ดูไม่กวาดกับใบไม้ตาในของเราก็รู้อยู่กับความรู้สึกถ้าสัมปัชญะญตัวนี้เกิดขึ้นนะเราจะคุยกับคนเป็นร้อยเป็นพันเขาก็ยังไม่เผลอเราจะคิดอะไร ตอบไม่คิดอะไรเขาไม่มีควาว่าขาดตัวเนี้ยสัมปชัญญะตัวเนี้ยเขาจะตื้อตตืตืตืให้ผู้ปเป็นเจ้าของรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่ในฝูงชนเป็นหมื่นเป็นแสนนี่ไม่ขาดไม่ขาดมันเป็นลักษณะนี้ ถ้าอาการข้างเคียงเกิดขึ้นอาตมา ก, กวาดลานบัดอยู่แผ่นดินนี้โยกเหมือนคลื่นทะเลเลยตอนนั้นยังใหม่นะใหม่สดๆสดร้อนๆเลยเอ๊เกิดอะไรขึ้นมัด น, นี้อาการสัมปชัญญะก็ยังทุกบปุ๊บุ๊บุ๊อยู่นะแต่อาการข้างเคียงนี้เกิดขึ้นแผ่นดิน เหมือนขึ้นทะเลเลยอ่ะเอา้าจับไม้กวาดตั้งดินลงดีๆแล้วก็ยืนตั้งสติดูเอ้ทุกอย่างก็เหมือนเดิมอันนี้เกิดจากอาการของภาวนาละมั้งนี่กวาดต่อไปเพราะกวาดต่อไปหมุนที่นี้เอ้า วท่านอาจารย์ขานกวาดลานวัดก็ไม่ถึงสิบห้านาทีนะเสร็จเพราะเนื้อที่มันน้อยอ่ะตั้งสติดีๆขวาดลานวัดให้เสร็จก่อนตั้งสติกวาดลานวัดเสร็จแล้วก็มีการฉันน้ำชากาแฟกันนิดหนึ่งล้วก็เดินเข้าไปขอกาแฟแก้วฉันกาแฟร้านแก้วเสร็จแล้วไปไปกุฏิ ไปถึงปุตตะไม้ ก, กว่าดรพเก็บเราก็เลยไปทางจงกลมทางจงกลมมันมีแ ค, แค่เล็กๆพอนั่งสมาธิได้นี่ต้องนั่งดูอันนี้สักหน่อยเนาะขาดสมาธิเสร็จตัวนี้ฟืดฟืดฟืดเลยฟืดลงไปสุดเป็นสมาธิสว่างโลขึ้นมาเลยอันนี้ใหม่สดๆแลนะรายยังไม่มีเคยมีสมาธิเลย เพราะฉะนั้นอันเดียวกันกับป๋าเลยเลยอั น, นเดียวกันเชะเลยเป็นสมาธิปุ๊บอยู่นานไหมนานนะของอาจารย์มาอยู่ห้าชั่วโมงกว่ามันมีปฏิหารทางจุงกรมนี้ยุงไม่ใช่ธรรมดานะยุงนี้ไม่ธรรมดาถ้านั่งอยู่เฉยๆมันจะเอาลง เขวเลยนะมันนั่งจิตถึงอัปนาสมาธิรู้สึกตัวขึ้นมาห้าชั่วโมงกว่าๆนี่ไม่มียุงสักตัวพราะคณว่าน่าคิดไหมไม่มียุงสักตัวเลยปกติแล้วแผลตุ่มนี้ถ้าจะเต็มตัวนะเป็นสมาธิถอนออกมาอยู่ในสมาธินี่ สว่างโล่ไปเลยแสงสว่างนั้นออกจากจิตใจของเราจะระยะที่เขาสว่างอยู่นั้นอ่ะข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างเห็นหมดเห็นหมดเลยที่นี่จิตถอนออกมา มันก็ดับถอนออกมาแล้วเราก็มาคิดว่าเอออันนี้มันมีเฉพาะนักบวชเหรอเขาว่าไม่ใช่คำตอบมันออกมาเลยนะมีอยู่กับทุกเพศทุกไว้อ๋อมีกับทุกเพศทุกไว้ มาถึงตรงนี้อาการของจิตเป็นยังไงมาถึงตรงนี้อาการของจิตนี้จะถึงจุดอิ่มตัวปัญญาที่เราใช้อยู่ตั้งจะเกิดปัญญาตัวนี้จะหายหมุดเลยนะหายทิ้งหมดไปเลยไม่เก็บมาคิดอีก จิตจะถึงจุดอิ่มตัวจะไม่คิดเรื่องอะไรเลยขอโทษที่เตะละวันนี้ไม่ได้พูดคุยกับใครสักคำพอดีเลยพอดีพอดีเลยเรามาถึงตรงนี้เราอยากจะบอกพวกคุณว่าอาหารที่มีโอชารสทางใจคือสมาธิ เขาจะอิ่มตัวทั้งหมดเลยเขาจะไม่คิดอะไรเลยไม่คิดอะไรเลยนี่อาการหนึ่งนะอีกอาการหนึ่งเย็นเ <Yeah. Yeah. S 1> ย็นสุดๆเลยเย็น <Yeah. S 1> ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราผลขวายหาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอยู่เนี่ยเขาจะลด รถคุณภาพความอยากทั้งหมดหมดทุกอย่างที่เราเคยอยากเหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นทั้งหมดทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นถึงจุดอิ่มตัวแล้วเขาจะเฉยเฉยโลกอันนี้คลยายกับว่าไม่มีคุณค่าอะไรเลย แต้ายาว่าโรคใบนี้ไม่มีคุณค่าอะไรเลยเท่านั้นยังไม่พอนะยังเป็นจุดเปลี่ยนเข็มทิศทางใจความคิดที่เคยคิดนี่หมดสิทธิ์เลยจบกันเลยเขาจะหมุนเข็มทิศเข้าสู่ศีลสู่ธรรมอย่างเดียว มุนเข็มทิศเข้าหาศีลหาธรรมอย่างเดียวนิ่งมากกิตนิ่งนี่โอ้โหเราหาที่เปรียบให้คุณไม่ได้นอ้อลูกดิ่งเคยเห็นลูกดิ่งไหมใครรู้จักรูปดิ่งลูกดิ่งที่เราดิ่งลงไปที่จะเอาจุดที่เป็น จุดศูนย์กลางถูกต้องอะถ้าลูกบิงไม่นิ่งเราจะเอาจุดไม่ได้ใช่ไหมลูกดิงนี้ยังอายนะลูกบิงที่จะเอาจุดที่เราต้องการเน่ะโอ้โหมันนิ่งจริงๆรินิ่งจิตอย่างเดียวไม่พอนะักกายนี่นิ่งไปด้วยตรงไม่ร้เลยอ่ะ กระดู ก, กระดิ่งนี่แทบไม่รู้สึกตัวนะ่ะ oh. ขอโทษทีเดินไปบินดาบาในยกเท่าสูงไม่ได้เลยไอ้ที่เนินเล็กๆที่เกลเดินทุกวันเนะี่ยถ้วางอะถ้าลรงวางก้าวสูงไม่ได้มันจะลอยไปเลยก้าวสูงไม่ได้ต้องค่อยๆเดินเข้าไปถึงหมุมบ้านนี่โอ้โหเหมือนบ้านร้างเมืองร้างไปหมด เียบสติไปหมดบางเตี่ ว, ว่าเราออกมาบินธบารรถแทบจะชวนเราตายวันนี้รถมันไปไหนหมดก็มไม่ยืนตั้งสติดูรถก็เหมือนเดิมแต่จิตของเรามันเป็นสมาธิต่างหาเหมือนบ้านร่างเมืองร้างไปเลยสติตัวเนี้ย เขาจะกลายไปเป็นสติควบคุมจิตตัวนี้ถูกควบคุมอยูย่บ่อยเขาจะไม่ออกเขาจะหดตัวแล้วก็ตัดขาดจากอารมณ์ข้างนอกถามว่าขาดแล้วคิดได้ไหมคิดได้นายาที่เขาขาดเขาก็รู้อย่างเก่านี้แหละแต่เขาไม่เสีย แต่าถาว่าคิดได้ไหมคิดได้คิดจบแล้วจบเลยจบปุ๊บเขาก็หดตัวเข้ามาอยู่นี้ทันทีเขาไม่ต่อไม่เติมไม่มีเรื่องอะไรที่จะมายี่มีเยื่อใหญ่ฝันเฟื้อกันเหมือนแต่ก่อนนะต้นเฟื้อกันเหมือนแต่ก่อนจบเลยและชาติที่มันขาดจากอารมณ์ข้างนอกเราก็ไม่รู้ไงเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ส่งไปหาพ่อเราที่อุดรไปชักระยะหนึ่งมันก็แวบเข้ามานี่ยแวบเบข้ามานิ่งอยู่เฉยๆเราปฏิบัติอยู่สองวันจิตมาอยู่สองวันอ่ายตนะเกิดขึ้นสองวันจิตเป็นสมาธิ ท, าทั้งนนี้เราไม่รู้เลยนะนี่นะ ความรู้สึกนี้เราก็ค้นเองนะไม่มีใครมาสอนเลยนะท่านอาจารย์ท่านก็ไล่ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างเดียวเอ๊ะนั่งสมาธิยังไงเดินจงกรมยังไงอะไรเป็นที่ได้อะไรเป็นที่เสียแล้วเดินทำอะไรอะ่ะนั่งทำอะไรอะ่ะ เรามาค้นเองเน่ยลราถึงบอกได้เต็มปากเลยตรงนี้เราค้นเองตอนนั้นเราไปอ่านหนังสืออยู่ในห้องหนังสือเนาะท่านอาจารย์ขานเข้ามาเจอพอดีท่านบอกว่าจะไปอ่านมากหนังสือมันเป็นนิวนันมันภาวนายากไปไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิเอา อ่านหนังสือธรรมะก็ไม่ได้เอเราไปอยู่ในห้องหนังสือสองครั้งท่านก็มาเจอสองครั้งพอดีครั้งที่สองนี้หนังสือหลวงปู่ดุลเล่มเล็กๆอะ่ะติดมือเราออกอกจากห้องไปเอาออกครั้งที่สองนี้เป็นล็อกห้องหนังสือเลยนะเออตรงนี้ถ้าจะไม่ใช่แล้วล่ะ ถ้าใช่เป็นคงไม่ห้ามก็เอาหนังสือลงปูดุลที่ติดมือไปเขียนคำคมเฉยๆหน้าละสองบรรทัดหน้าที่หนึ่งแบอบกว่าจิตส่งออกภายนอกเป็นสมุทยัยจิตถักถูกควบคุมอยู่ภายในเป็นมรคนี่คือมีหน้าหน้าละสองบรรทัด หน้าต่อไปการภาวนาก็คือการดูจิตบรรทัดแรกนะบรรทัดที่สองบอกว่าการดูจิตก็ครอบจั ก, กรวาลของภาวนาเอออันนี้ถ้าจะง่ายดูจิตนี้ถ้าจะง่ายพอมานั่งสมาธิดูจิตอา่าวจิตอยู่ที่ไหนอะ ปิดอยู่ที่ไหนเรามีเพื่อนเป็นเขาสัธาบัตธรรมกายมาคุยกันแต่ละครั้งเขาก็จะมีวิทยุมาด้วยใช่ไหมเขาจะเปิดธรรมกายฟังมามาคุยกันกันกบเราขเขาก็ไม่ปิดอะ่ะทีนี้เราฟังเราไม่ฟังมันก็ได้ยินว่าเอาดวงแก้ว มาไว้สวง อ, อกหรือว่าเอาองค์พระมาไว้สวง อ, อกเราก็จําได้แค่นี้นะ่ะทีนี้เคยอ่านหนังสือหลวงพ่อพุธว่าอารมณ์คืออาการของจิตเอถ้าอารมณ์คืออาการของจิตเราไม่ให้จิตมีอารมณ์ก็เท่ากับเราหยุดจิตได้ใช่ไหม ทีเนี้ยก็มาศึกษาตรงของธรรมกายเอ้เอาดวงแก้วมาใบนี้ถ้าเรามองดวงแก้วมันก็จะบวกกันแล้วก็จะเป็นความรู้สึกมาทดลองดูทดลองดูอา้าวใช่ใช่แล้วทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นตรงที่ว่าเรากําหนดเป็นดวงแก้วเนี่ย เขาจะได้ไม่ถึงสิบนาทีดวงแก้วนี้ก็จะหายไปดวงแก้วหายไปแล้วไม่มีเครื่องหมายที่จะดูกำหนดเป็นรูปอะไรก็กำหนดขึ้นมาได้แต่ไม่ถึงสิบนาทีเขาก็หายเมื่อมันหายอยู่บ่อยๆไม่ต้องมีรูปอะไรเลยเอาเป็นความรู้สึกที่ตัวเองรู้พอเข้าใจไหม ความรู้สึกที่ตัวเองตั้งเป็นความรู้สึกขึ้นมาเองไม่มีรูปลักษณสันตางแสงสีเสียงนะความรู้สึกรู้อยู่ในสิ่งที่ไม่มีอะไรล่ะแต่เป็นความรู้สึกชัดไหมป๋าจอกชัดครับเบ๊ <c oughs> <c oughs> นะหนฮะ ไม่ว่างความรู้สึกจะไม่บ้างจากใครเลยถึงคุณเจอความว่างความว่างที่คุณเจอยังไม่ใช่เลยความรู้สึกยังเป็นตัวรู้ความว่างอยู่ให้คุณย้อนกลับมาหาความรู้สึกสิ่งที่คุณเข้าใจว่าว่างนั้นไม่ใช่แน่นอนต้องเข้ามาหาผู้รู้ ว่าว่างพอเข้าใจไหมถ้าคุณอยู่กับความว่างคุณจะย้ำอยู่ที่เดิมถ้าคุณกลับมาหาผู้รู้ว่าว่างคุณจะก้าวเดินไปข้างหน้าได้สบายใครไม่เข้าใจอะไรตรงตรงไหนยกมือถามขึ้นมาได้เลยนะ เราลักษณะบญญรรยายทำแบบลักษณะคุยกันนะ่ะคนที่ไม่เข้าใจก็จะได้รู้เพิ่มเติมกันขึ้นครับก็มีอะไรก็สอบถามได้นะครับเพราะว่าจี่โนะทางชลนพดแหลางที่พระอาจารย์กล่าวถึงอยู่บ่อยๆก็คือปะจอกนะครับหรือพิจจอกพี่อัดกล่อมเิกนะครับท่านก็เดินมาเส้นทางนี้ก็เป็นเดินตามแนวนาทางปฏิบัติของท่านพระอาจารย์แล้วก็ ครูบาอจารย์อีกหลายรูปที่มาที่ชมรมตนวันวันหนึ่งก็จะรู้ทางแล้วที่ท่านพระอาจารย์บอกว่าไม่มีพระพระหรือคราวา่าสามารถไปทางนี้ได้หมดนะครับคือถ้าพวกเราไม่มีธรรมในใจให้คิดว่าธรรมะกำลังจะหายไปหมดแล้ว ถ้าทุกคนมีธรรมะอยู่ในใจกันทุกคนธรรมะตัวนี้แหละคือการส่งไว้ซึ่งพระธรรมถ้าจิตใจของพวกเราไม่มีธรรมธรรมนั้นเริ่มจะหายไปจากโลกนี้สคสอบามค่ะสมมติว่าเราเดินเดินอยู่เราเราไม่ต้องรู้ทาว่าเราเดินแต่ว่ารู้ เราไม่ได้เน้นสิ่งอื่นนะคุณกายจะยืนเดินนั่งนอนเป็นเรื่องของกายกิริยาของจิตใจคือรู้สึกอยู่เข้าใจไหมคุณเดินจงกรมนี้คุณไม่ต้องไปซ้ายวาขวาขวาซ้ายซ้ายกวาอะไรอะคุณอยู่กับความรู้สึกคุณขับรถอยู่คุณทำงานอะไรอยู่ความรู้สึกของคุณเนี้ยอย่าให้ขาด คุณทำงานไปทำงานไปตาเนื้อก็ทำงานข้างนอกตาในก็มีความรู้สึกอยู่เราไม่เน้นให้พวกคุณนั่งสมาธินะเน้นให้พวกคุณรู้สึกตัวอยู่ตลอดรู้สึกตัวอยู่ตลอดถ้าเน้นให้พวกคุณนั่งสมาธิพวกคุณจะบอกว่าไม่มีเวลา นั่งนานไม่ได้ปวดขาใช่ไหมเราไม่ได้นั่งเราไม่ให้พว ก, พวกคุณนั่งอย่างให้พวกคุณนั่งนี้ให้พวกคุณนั่งไม่เกินสามสิบนาทีเราเช็คความละเอียดสมมุติว่าเราตื่นเช้าขึ้นมาเอายิงเข้าไปความรู้สึกยิงเข้าไปช่วช่วช่วช่วช่วชว่ถ้าพวกคุณได้เต็มวัน พวกคุณไปเช็คดูสามสิบนาทีก่อนนอนพวกคุณจะนิ่งมากเลยถ้าวันไหนคุณฟุง้งคุณเข้ามานี้ไม่ได้คุณจะนั่งไม่นิ่งเลยวันนั้นให้เช็คดูก่อนนอนสามสิบนาทีเท่านั้นหรือว่ายี่สิบนาทีก็ได้อะตื่นนอนมาสักสิบนาทีก่อนจะออกไปรุยอารมณ์ มันมีอารมณ์นอกอารมณ์ในนะอารมณ์นอกคือเข้าหูเราอารมณ์ในคือปุ๋งาัาดเพราะฉะนั้นอากับกิริยาของกายนั่งเมื่อยเปลี่ยนได้เดินเดินเมื่อยเปลี่ยนได้ยืนอันนั้นเป็นเรื่องของกายเรื่องของจิตใจที่เดียวยืนเดินนั่งนอนจิตอยู่ที่เดียวรู้สึกอยู่ รูน้นี้มันจะมาอารมณ์ภายนอกนี่มันจะไม่ไม่รับเลยใช่ไหมคะถ้าคุณมีสติควบคุมอยู่อารมณ์ข้างนอกเข้าไม่ได้เลยถ้าะทั้งสติทั้งจิตพร้อมกันเลยถ้านั่งไปนั่งไปสติอ่อนเราไม่รู้ตัวว่ามันออกไป จะมารู้สึกตอนที่มันเป็นเรื่องแล้วให้นีบ่บตั้งสติเลยตั้งสติแล้วมองเข้ามาตรงนี้เขาก็บวกกันทันทีเพียงแต่ว่าเราจะรู้สึกได้นานไหมอยากให้พวกคุณฝึกตรงนี้ถ้าพวกคุณฝึกได้คุยกันอยู่ก็พยายามมองทำมะไ้อยู่ก็พยายามมองถ้ามัน ได้เกิดเป็นอัตโนมัติมาแล้วเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานนะการที่จะเป็นสมาธิใช้เวลาไม่นานมันจะมีการแทรกขึ้นมาเรื่องฌานเรื่องญาณ น, นี้ทําไมเราไม่พูดเราไม่พูดกลัวปุ่นกลัวพวกคุณจะสับสนขอให้สมาธิมันเกิดขึ้นก่อนเรื่องฌานเรื่องญาณ ขอให้สมาธิมันเกิดขึ้นก่อนการทำสมาธิอย่างที่เราทำเนี่ยเราบอกเนี่ยไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งนานเพียงแต่ว่าขยันตั้งสติไม่ได้ซื้อไม่ได้แบกไม่ได้หามอะไรเลยเรื่องช า, น เ, งานเน่งยาเนี่ถ้าเราพูดออกไปพวกคุณจะงงชาสี ห้าหกเจ็ดแปดได้นะ่ะเราอยากเน้นพื้นฐานให้มันสมบูรณ์กันหลายๆายคนก่อนค่อยมาคุยกันอีกทีหลังจิตของเราจิตถ้าทำวิธีนี้จิตมันจะไม่เกิดนิมิตนะ่ะไม่ให้นั่งนานนี้เพราะอะไรกลัวพวกคุณจะเกิดนิมิตเกิดนิมิตแล้วไปติดนิมิตตายเลย นั่งสามสิบนาทีหรือว่ายี่สิบนาทีนี่ไม่เกิดไม่เกิดจิตลงเป็นสมาธิก็ไม่ใช่รออยู่ระดับใดระดับหนึ่งนะครั้นี้การสมาธิก็ไม่หยุดอุปจารสมาณิที่ก็ไม่หยุดเขาจะพื้ลงไปอัปนาทีเดียวเลยถอนออกมาอันนี้จะเป็นประโยชน์แก่พวกคุณท่านอาจารย์ขันท่านก็เตือนมาเหมือนกันนะบอกว่า โอ้ลูกศิษย์ลูกหาถ้าเป็นผู้หญิงมึงก็ยิ่งบอกยิ่งเตือนกันยากนะถ้ามันจิดนิมิตแล้วมันไม่ฟังเราหรอกนะั่นแหละนี่แต่มันจะเล่นนิมิตอย่างเดียวเล่นนิมิตนี่เสียเวลาเสียแทบจะเสียกูเสียคนนะพวกคุณเราถึงไม่อยากให้พวกคุณเห็นหน้ามันเลยไม่ยาก ถ้าผู้คุณอยากดูความละเอียดของใจพอจิตของเราลงเป็นสมาธิลักษณะที่ว่าพุทธเดียวเลยเนี่ยถอนขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็มาบริกรรมพุทโธอีกนะฝึกบริกรรมพุทโธฝึกบริกรรมพุทโธแล้วมาฝึกดูลมหายใจจิตมันไปยังไงแต่ละระดับอันนี้เรารู้หมดนะเราสอนให้ผู้คุณได้หมด ไม่ว่าจะบริกรรมพุโทโธไม่ว่าจะดูลมหายใจแต่สิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดคือรู้สึกอยู่รู้สึกอยู่นี่เร็วถ้าพวกคุณไม่ทิ้งนะพวกคุณกำหนดพยายามให้เป็นดาวกระจายให้มีเช้ามีสายมีบ่ายมีค่ํา ไม่ใช่ว่ากระจุกเดียวลักษณะปฏิบัติสามสิบนาทีจบอันนี้ไม่ค่อยดีถ้าอาการของจิตชาจิมีพลังเขาจะทีเข้าทีเข้าทีเข้าจนเป็นสติควบคุมนั่นคือความเจริญของจิต มันอธิบายกันไม่ได้ยาวนะพวกคุณนิดเดียวพวกคุณเรียนมหาเลยใช้เวลานะตั้งนานอุปกรณ์การเรียนค่าเทอมอันนี้มีไม่กี่อย่างอา้าร่างกายก็ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟประกอบไปด้วยอายันตนะทั้งหกอายันตนาภายในกับภายนอกเจอกันเกิดความเป็นบิญญาณ จากอายันตะก็มามีขันห้ารูปเบทนาชยาขานบิญญาณแค่นี้มีจิตกับสติจิตกับสติถ้าเขาควบคุมกันได้จิตก็จะเป็นสมาธิสติก็จะกลายไปเป็นมหาสติมหาปัญญาจิตก็จะหมุนเข้าสู่ความเป็นมิปัสสนารู้จริงเห็นจริงด้วยอำนาจของ ความเป็นสมาธิหนุนจิตให้เกิดปัญญาธรรมปัญญาธรรมก็เหมือนเราเหมือนโดรนอะ่ะมันจะส่องร่างกายของเราจิตนี้เหมือนจอไปเห็นตับไตไชพุงมันก็จะขึ้นจอนี่ใช่ไหมปัญญานี่มันก็หมุน พอจะถึงตรงนั้นมันก็จังเป็นอัตโนมัติไปหมดแล้วพวกเรามีหน้าที่ดูอยู่เฉยๆเขาจะทำงานของเขาเองเหมือนเรากำหนดไปความรู้สึกนี่นะ่ะเรามารู้สึกอยู่เฉยๆไม่มีหน้าที่ที่จะไปเป็นสมาธิมาส่งเขามารักษาเขาถึงตรงนี้การที่จะเป็นสมาธิจิตเองถ้าเขาเตรียมเขาเป็นเอง ไม่ใช่เราเขาถอนขึ้นมาเขาจะเป็นอัตโนมัติเลยวิปัสสนาก็จะมีสองอย่างวิปัสสนาเฉยๆเนี่ยคือรู้อยู่เห็นอยู่แต่ทำอะไรไม่ได้ถ้าวิปัสสนาติดท้ายด้วยญาณวิปัสสนาญาณถึงจะทำงานได้สั้นๆเนื้อนเนื้อหนะวันนี้นะใครมีความคิดอมีคำถามอะไรไหม อันนี้ประโยชน์ของพวกคุณนะ่หให้เราเอาไว้โมยอันนี้คือยังไม่ได้เดินนิพพานนะโอ้ยยังเพิ่งเริ่มต้นตั้งสติตั้งจิตว่าเขาจะสะสมพลังเป็นสมาธิ จที่จะเข้าสู่สนามความรู้จริงคือสนามของความเป็นวิปัสสนามันต้องหนุนด้วยพลังสมาธินะคุณพวกคุณก็มีสติมีปัญญากันทุกคนแต่สติอ่อนปัญญาอ่อนไม่ใช่สติที่จะไปเห็นจริงไม่ใช่ปัญญาที่จะเข้าไปรู้จริงถึงได้เพิ่มเพิ่มพลังของจิต เพิ่มพลังของสติด้วยการทำสมาธิสมาธิคือเครื่องหนุนของปัญญาสมาธิเป็นเลือนเพราะชำปัญญาทำสติของพวกเราปกติเขามีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นปัญญาของพวกเรานะที่เอามาใช้คิดค้นกันที่ไปเรียนหนังสือแง่ ขะแนนนั้นขะแนงนี้คือเพิ่มปัญญาความรู้ให้กับตัวเองใช่ไหมถึงได้เอาความรู้ตรงนั้นไปใช้ไปหากินแต่ทีนี้นักกรรมฐานนี่ท่านจะเอาความรู้ของท่านที่เกิดขึ้นจากความเป็นสมาธินี่เข้าสู่สนามความรู้จรงิง พวกคุณเรียนจบมหาวิทยาลัยหรือว่าบด็อกเตอร์นั้นด็อกเตอร์นี้เข้าไปสนามความรู้จริงเห็นจริงเกิดไหมไม่เกิดเพราะบันคนละแขนงไงแขนงตัวเนี้ยมันเพิ่มเข้ามาพิเศษหน่อยคือคือความเป็นสมาธินะ่ะมันเพิ่มจากความรู้ของพวกเราไปเรียนนี้คือความอาศัยความเป็นสมาธิมันถึงจะก้าวเข้าไปได้ พวกภาวนาเนี่ยเขาเรียกว่าคนไหนกำลังเริ่มภาวนาคนนั้นแหละกำลังก้าวเข้าสู่โลกของความเป็นบิญญาติโลกของความไม่มีตัวตนสติก็ไม่มีตัวตนปัญญาก็ไม่มีตัวตนจิตใจก็ไม่มีตัวตนธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็น เครื่องทรงจิตแต่ละดวงเข้าสู่พระนิพพานก็ไม่มีตัวตนแล้วอยากจะบอกพวกคุณโลกใบนี้ไม่มีอะไรจริงสักอย่างพวกคุณยังเชื่อเขาอยู่เหรอไม่จริงไม่จริงเราบอกไม่จริงเราเป็นมนุษย์จริงแต่ไม่จริงจริงได้ไม่นาน มีสามีภรรยามีลูกมีหลานมีพ่อมีแม่จริงไหมจริงแต่จริงไม่นานความไม่นานของความไม่จริงคือไม่จริงเราถือได้เลยว่าไม่จริงสักอย่างอยู่ในโลกนี้ไม่จริงสักอย่างเพราะเม่เห็นตรงนี้เราบอกว่าเออมันไม่มีอะไรจริงสักอย่างอยากจะเห็นสิ่งที่เป็นจริงในโลกอันนี้ไหมอยากจะ เห็นไหมอยากจะรู้ไหมว่าอะไรจริงสิ่งที่เป็นจริงไปได้คือจิตกับธรรมถ้าเอาธรรมเข้ามาหาจิตได้เต็มดวงไม่มีคำว่าเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งนั้นใช่หรือไม่ พวกคุณรอใครไม่มีพวกคุณรอใครอ่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะรอใครท้งนั้นแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ี่จะบอกคนนั้นว่ารอเราหน่อยนะแล้วก็คุณรอใครร่างกายอันนี้เขาไม่ฟังเรานะ คุณอย่าประมาทนะเกิดนอนคืนนี้เช้ามาลุกไม่ได้อ่ะอะไรจะเกิดขึ้นต้องนั่ต้มข้าวมาป้อนใช่ไหมยอย่าไปเชื่อเขามากนะร่างกายเนี้ยคนดีๆขาเป๋ขาเสียไปก็เยอะนะคนดีๆ ขาดสติทั้งสติทั้งปัญญาขาดเบอือเบอืบไปก็เยอะแยะนะจะมอกให้คุณยังเชื่ออยู่เหรอยุงตัวเล็กๆมาจิ้มเข้าไปนิดเดียวมันเจ็บมากอะ่ะเนี่ยคุณยังเชื่ออยู่เหรอแล้วพวกเราเชื่อตัวเองว่าจะอยู่ได้ไปได้อีกกี่ชั่วโมงอะพวกคุณ เชื่อตัวเองว่าจะไปได้อีกกี่ชั่วโมงไม่มีเครื่องหมายแสดงให้เราเห็นบี่แววเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทคนอยู่ในโรงพยาบาลกองมะเลนเทินทึกเลยหนังตาของอาตมามันก็ไม่เที่ยงเนาะมันตกลงมาบังลูกกตาวันนั้นเขาเอาไปปาดหนังตาเย็บขึ้นใหม่ ถึงไปเห็นคนอยู่ในโรงพยาบาลโอ้โหมีนขนาดนี้เลยเหรอทางอิสานแห่บุญพระเวทก็ไม่เท่าคนอยู่ในโรงพยาบาลตึมเลยโอ้โหมันขนาดนี้นั่นคือความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทาั้งๆที่เขาเป็นปกติแต่เราเข้าใจเขาไม่ แต่ความเข้าใจของเราว่าเขาไม่เป็นปกติถึงได้เข้าไปโรงพยาบาลเมีอะไรไหมวิธีนี้พวกคุณจำให้ดีแล้วก็เอาไปทำนะเราทำได้ผลมาแล้วไม่ใช่ว่าเราบุก ป, ป่าพาดวงมาพูดให้พวกคุณต้มตุนกันหลอกลวงกันไม่ใช่นะ บนทางที่เราผ่านออกมาแบบสดสดร้อนๆเลยน่ะนี่นะเราเอามาพูดกับพวกคุณนี่นะถ้าเราไม่มีข้างในเราพูดไม่เป็นหรอกอันนี้ข้างในสั่งให้พูดออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมงพูดแบบอ่านหนังสือมาพูดก็ไม่ใช่หลวงปู่ ม, มั่นองค์เดียวเท่านั้นที่อุบัติขึ้นมาแล้ว พาลูกศิษย์ลูกหาศึกษาพระไตรปิฎกฉบับจริงไปรเรียนก้านี้ศึกษาเข้าใจปิฎกฉบับพร้อมนะ่ะนั่นฉบับพร้อมนะ่ะเต็มตู้นะ่ะเต็มตู้นนะั้นศึกฉบับพร้อมนะั้นน่นฉบับจริงมีกายกับใจนี่นะ่ะหลวงปู่มั่นบอกให้เราศึกษาพระไตรปิฎกเล่มจริง คือ น, นั่งอยู่เนี่ยเรื่องจิตเนี่ยอาจจะมาศึกษากับตัวเองโดยเฉพาะนะไม่ได้ไปอ่านหนังสือที่ไหนเลยพวกคุณรู้อาการนี้ไปนั่งดูดูศึกษาไปเดี๋ยวนี้พวกคุณมีกิตคนละดวง แต่เขาเอาความโลภความโกรธความหลงไปซ่อนไว้ที่ไหนเขาเงียบสบายเลยนะเดี๋ยได้นะจิตเนี่ยเป็นคนที่จะออกมารับสถานการณ์ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพรจาบาทอาฆาตจองเวรเขาจะเป็นตัวแสดงออกมาจากข้างในนี่แหละเดี๋ยวนี้เขาทำไมไม่แสดงเหตุปรับใจไม่พอ ถ้ามีคนมาตบหน้าเราเดี๋ยวนี้ อ, ออกมาเลยนะเป็นคนละท่าคนละตัวเลยนะมึงเหรอเอาแล้วเนี่ยให้ศึกษาให้ละเอียดใะเรื่องจิตใจถ้าศึกษาไม่ละเอียดแล้วมันจะพาเราไปลงนรกนายจะบอกให้คนจะได้ดีก็เพราะจิตใสสะอาดคนจะได้ไม่ดีก็เพราะไม่บำรุงรักษาใจ จิตใจเนี่ยเขาไม่มีตัวตนเขาไม่มีชื่อจริงนามสกุลจริงเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับแท่ไนเขาไม่มีพหภูมิที่จะสร้างอยู่เป็นหลักเป็นฐานได้เขาเป็นนักเกิดนักตายโดยเฉพาะแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเขาเป็นอะไรก็ได้สมมติว่าได้ยินข่าวตัวเองว่าจากเมืองมนุษย์ไปจะไปเกิดเป็นหมาอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะ สมมุติว่ารู้ข่าวแววแวแวมาว่าเราตายแล้วจะไปเป็นหมานะเราจะป้องกันยังไงอ่ะจิตดวงนี้เขาเป็นได้ทุกอย่างเศรษฐีเคยเป็นยาจกในพริตตาซ้ำยังมาเกิดเป็นหมาเอาครั้งสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตเษธีคนนี้ไม่มีศรัทธาในพุทธศาสนาราชาพรำเนะพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตก็โอ้สมณะหัวลวนนี่มาอีกแล้วการงานก็ไม่ทำตื่นเช้ามามีหน้าที่เอาบอกกับโป๋เดล็กมาขอข้าวไปกินมาทำไมไป ความเมตตาของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ท้อถอยนะไปทุกวันก็โดนด่าทุกวันสุดท้ายเศรษฐีคนนี้ตายตายไปแล้วไปเกิดเป็นหมาเลยนะเกิดเป็นหมายังไม่พอมาอยู่บ้านตัวเองอีกนะพระพุทธเจ้าก็ไปบิณฑบาตก็ไปหมาตัวนั้นมันเห็นพระพุทธเจ้ามันวิ่งมาเลยนะมันจะงับอย่างเดียว พระพุทธเจ้าก็บอกว่าราชาพรามตั้งแต่มีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่ก็ด่าเรานะตายไปแล้วมาเกิดเป็นหมายังมักจะมากัดเราอีกเหรอฮะ เ, เกิดเรื่องเลยลูกชายได้ยินฮะพระพุทธเจ้าบอกว่าพ่อเราเป็นหมาเหรอกำมืม <c oughs> ว่าพระพุทธเจ้าว่าพระกุเจ้าพู ด, ดเรื่อยเปื่อยไปไม่ได้พู ด, ดเรื่อยเปื่อยนะหมาตัวนี้น่ะคือราชาพราหมณ์ถ้าไม่เชื่อก็ให้มันาพาไปดูคุ้มสมบัติที่มันเคยฝังไว้ตั้งแต่เป็นมนุษย์สิลูกชายเศรษฐีก็พาหมาไปเลยหมาก็ไปตะกุยที่ไหนเขาก็ขุดลงตรงนั้นอ่ะ ได้รับขึ้นมาได้รับขึ้นมาหลายทีก็มาเชื่อพระพุทธเจ้าพวกเราก็เหมือนกันพวกเรานี่ปฏิบัติตนอยู่กับเมืองมนุษย์คล้ายๆกับจะฝังราบฐานไว้ตรงนี้เลยนะคล้ายๆกับว่าจะไม่ได้ย้ายไปไหนเลยทุ่มจนสุดตัวนะเดี๋ยวนี้นะรถก็ซื้อบ้านก็สร้าง บางคนสร้างแล้วยังไม่ได้อยู่เลยหรือยังไม่ได้ฉลรงเลยไปแล้วพวกเราทุ่มสุดตัวในชาติปัจจุบันไม่ได้นึกถึงชาติอนาคตชาติที่จะมาถึงใกล้ๆนี้เลยว่าเรามีที่อยู่สร้างที่อยู่ไว้แล้วเหรอเดี๋ยวนี้เราจะเรามาพักเฉยๆจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวนี้ชาติต่อไปนี้เราสร้างสร้างที่พักไว้แล้วเหรอ เราจะหมดเวลาเนทะ่านั้นเราพักเฉยๆเราจะไปพักอีกที่หนึ่งซึ่งเราไม่รู้เลยว่าจะไปพักที่ไหนแตอ่อริยเจ้าตลอดไปถึงพระพุทธเจ้าสั่งนักสั่งนาด้วยคำสั่งเดียวกันว่าทำบุญนะลูกหลานทาบุญนะลูกหลาน บุญนี่แหละจะเป็นยานพาหนะบุญนี่แหละจะเป็นที่หลับที่นอนบุญนี่แหละจะเป็นข้าวปลาอาหารจิตใจเขาไม่เคยตายแต่เขาอยู่ด้วยอํานาจบุญอํานาจบาปเขาก็อยู่ได้อํานาจบุญเขาก็อยู่ได้ตกนรกหมกไหมเขาก็ไปได้ขึ้นสวรรค์ชั้นพรมชั้นอินเขาก็ไปไปได้ทีเนี้ย มันสำคัญตรงที่ว่าบุญนี้ทำได้เฉพาะเมืองมนุษย์ที่เดียวเราจะไปทำที่ไหนกันให้รีบทำเสียนะจิตที่อยู่ข้างนอกเสพอารมณ์ได้ทั้งบาปและบุญบาปจะมากกว่านะใช่ไหมคุณเคยด่าคนอื่นในใจไหมถ้าจะไม่เคยเั่าคนเนาะ คุณเคยมีการแสดงตนว่าค่านี่นหละดีกว่าคนอื่นไหมนั่นล่ะนั น, นะคือความเสียของชีวิตยุงยิ้มนิดๆหน่อยๆความพอใจความไม่พอใจกลายเป็นการตำหนิติเตียนความไม่ปฏิบัติตนไม่ถูกใจคนอื่นกลายเป็นการด่าเขาในใจ มีแต่เสียกับเสียา น, านั่นล่ะนะมีแต่เสียกับเสียรีบปฏิบัติทางด้านจิตใจให้พ้นสิ่งเหล่านี้ไปเสียพอเข้าใจไหมมีใครจะถามอะไรไหมถ้าพ้นไปแล้วพวกนี้ทำงานกับใจของเราไม่ได้นะโรคโกรธหลงอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวนเขาจะไม่มี สถานที่ว่างให้เขาทํางานเลยจิตใจมาถึงตรงเนี้ยพวกนี้จะเข้าทํางานในใจเราไม่ได้อขอโอกาสครับผมไม่เข้าใจอย่างหนึ่งครับผมเข้าใจว่าปกติจิตเขาจะมีมีการการคิดอยู่เสมอแต่ท่านบอกว่าเราสามารถควบคุมจิตให้คิดได้เลยผมไม่เข้าใจครับ จับเขามาเป็นความรู้สึกไม่ได้ฟังเหลือเมื่อกี้นี่กระชากเขาออกจากดงอารมณ์มาตั้งไว้ที่ฐานให้เป็นความรู้สึกอยู่เขาก็จะปราศจากอารมณ์ทั้งปวง ไม่ใช่เรารู้รู้ทันว่าจิตคิดแล้วก็เราก็หยุดแค่นั้นไม่ได้ไม่ใช่อันนั้นยังอยู่ข้างนอกอยู่คุณจะทำเป็นหมื่นหมืนแสนแสนครั้งจิตก็ไม่สามารถที่จะเป็นสมาธิได้ถ้ามีอาการอยู่ข้างนอกไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าพอจิตฟุ้งเฟ่งแล้วเรื่องอะไรก็แล้วก็หยุดแค่นั้นเฉยๆไม่ต่อไหมไ ม, ไม่ก็อยู่ข้างนอกไม่ใช่เหรอมันไม่ได้อยู่ในกายนะลักษณะคุณพูด จิตที่จะเป็นสมาธิได้กับจิตที่จะมีคุณภาพคือถูกผู้เป็นเจ้าของใช้สติดึงเข้ามาไว้ในกายของคุณนั้นมันดับอยู่ข้างนอกนะหยุดคิดอยู่ข้างนอกจิตที่จะมีคุณาภาพหรือจิตที่จะเป็นสมาธิได้คือจิตถูกผู้เป็นเจ้าของใช้สติดึงออกจากดงอารมณ์แล้วมาตั้งไว้ที่ฐาน คือผมผมไม่มีฐานนะผมมีฟัมรู้สึกตรงไหนก็ได้ที่ผมรู้สึกโอนรักษาไม่ได้หรอกถ้าไม่มีจุดได้จุดหนึ่งของร่างกายรักษาจิตไม่คุ้มหรอกรักษาไม่ได้ไม่ทันเขาถ้าเขามีการคล่องตัวมากในการออกการเข้าการเสพการท่องเที่ยวของเราจิตดวงเนี้ยจะไม่เปลืองสถานที่ไม่มีน้ำหนักไม่มีร่องรอยไปที่ไหนไม่อาศัยยานพาหนะ เขาท่องเที่ยวได้ไกลมากยากที่ผู้จะรู้จักเขาอันนี้เรียนเรื่องจิตกับสติมาโดยตรงเรียนที่ไหนนี่มหาลัยเนี่ยมหาลัยเนี่ย อีกไหมอารมณ์เวลามากก็เยอะอย่างเงี้ยบาทีมแยกไม่ออกว่าไออารมณ์เนี่ยมันชอบจะมาป็เราท่เียเพราะว่าจิเรายังไม่ไม่ตั้งมันง่ายๆง่ายถ้ารู้สึกว่าอารมณ์นี้เขาจะมีอยู่สี่อารมณ์ที่หนึ่งคืออารมณ์ตามธรรมชาติใช่ไหมเรียกว่าอารมณ์เขาเสียอยู่เดียวเนี่ย คืออารมณ์ธรรมชาติอารมณ์อย่างที่สองนี่อาศัยเหตุการณ์สถานการณ์เกิดขึ้นอย่างเช่นมีคนมาด่ามามีปากมีเสียงกันอาศัยเหตุการณ์ไหมอารมณ์ที่สามคืออารมณ์ฉุกคิดขึ้นกลางใจบางทีจิตกลายเป็นหนึ่งอยู่ดีๆเนี่ยอารมณ์ตัวนี้จะถุกคิดขึ้นกลางใจขึ้นมาเลย แต่เราก็ไม่ต่อเติมให้เขาก็ไปไม่ได้นะเขาก็หดตัวลงอารมณ์อย่างที่สี่เชืกจิตใต้สำนึกตัวนี้จะไม่ํำเอียงผู้เป็นเจ้าของจะให้ความเป็นธรรมอยู่ตลอดแต่ทำงานช้าเกินช้าขนาดไหนสมมติว่าไปฆ่าคนตายไปติดคุกนั่งอยู่ในคุกเขาถึงเขาถึงจะเกิดขึ้นมานะ่ะ เอไม่น่าทำเลยนะเราจิตใต้สำนึกตัวนี้จะขึ้นมาทันทีไม่น่าทำเลยแม้เขาเป็นธรรมาะแต่เขามาช้าเพราะฉะนั้นอารมณ์เนี่ยถ้าคุณรู้สึกอารมณ์เขาจะมีทั้งออกไปเสพแล้วก็มีอารมณ์มาเข้ามาให้เสพใช่ไหม สมมติว่าเราเรานั่งอยู่กับความรู้สึกอยู่รู้สึกอยู่แต่ตัวหนึ่งขึ้นรู้สึกว่ามีเรื่องขึ้นกลางใจคุณทำความรู้สึกให้ชัดเจนย้ำความรู้สึกให้ชัดเจนความชัดเจนที่เราย้าเขาจะเบียดอารมณ์ตัวนี้ตกไปเองถ้าเราตั้งใจอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ความเด็ดของจิตจะกว่า สิ่งอื่นสิ่งอื่นก็จะตกไปขอให้ชัดเจ น, ใ, น, เนใช่ใช่ใช่ตั้งสติเข้าไปมองด้วยตาในด้วยตาสติจิตบวกกันเป็นความรู้สึกมันจะเป็นอย่างนี้นะทำความรู้สึกอยู่ในการบวกกันของจิตกับสติ ทำความรู้สึกอยู่ภายในบ้าอยู่นะอยู่แน่นะไม่ได้ไปไหนนะอยู่นะอยู่รู้สึกอยู่รู้อยู่รู้อยู่ตัวเดียวอยู่กับตัวเดียวจนเป็นสมาธิอธอ อย่าให้มันเกิดดับเองเราดับเองเลยไต้องมันไคะตั้งเราบอกเลยนะตั้งสติมองความรู้สึกถ้าสติมีความรู้สึกชัดเจนอารมณ์นี้จะตกไปเองดูไแล้วตอนนี้มันมันแยใช่คะมันไม่เข้ามาไม่ได้ถ้าเรามีสติอยู่มันเข้ามาไม่ได้ ถ้าตอนไหนสติเราอ่อนอาจจะเข้าได้อาจจะออกได้อยู่กับสติของเรานะ่ะสติต้องระลึกอยู่บ่อยๆถึงเขาจะรู้อยู่ตัวก็ต้องระลึกระลึกซ้ําเข้าไปเลยถึงเขาจะรู้อยู่ระลึกมาเลยซ้ําเข้าไปเลยนั้นคือเพิ่มพลังสติถึงเขาจะรู้สึกอยู่อยู่กับความรู้สึกไม่สนใจแล้วเราตั้งใหม่ขึ้นมาซ้ําลงไปอีก ซ้ำลงไปอีกซ้ำลงไปอีกรับรองว่าเกิดไม่ได้อ๋อนี้ค่ะว่านะค่ะต้องีนา่การมารจิได้ออันนี้คุณแบ่งได้ไหมสติตัวเดียวเขารับผิดชอบทั้งตาเนื้อแล้วก็ตาใน เขารับผิดชอบไม่พลาดแม้แต่วินาทีเดียวเลยคุณแบ่งห้าสิบห้าสิบหนึ่งเอามาให้ตาเนื้อห้าสิบหนึ่งเอามาให้ตาในเราทำงานซักผ้าล้างจานถูบ้านถูอะไรอยู่ตาในของเราอ่ะก็ดูได้ตาเนื้อของเราก็ดูได้งานก็เป็นไปอย่างเราทำงานที่บริษัทของทีโอเนี่ย สิ้นเดือนมาก็ได้รับเงินเดือนใช่ไหมความที่ไม่รู้เรื่องไปนินทากาเลียกันก็รับบาปใช่ไหมรับทั้งบาปแล้วกั บ, กบพร้อมกับเงินเดือนถ้าพวกคุณเอาวิธีนี้ไปดูใจพวกคุณจะได้รับเงินเดือนทั้งทั้งได้รับบุญนะ่ะจิตอยู่ข้างนอกนี้เขาจะเป็นบาปและบุญส่วนมากเขาจะเป็นบาปแต่ตัวเองไม่รู้ ถ้าเราถูกกำหนดเข้ามาอยู่ตรงนี้บาปบุญก็ไม่มีมันจะกลายเป็นมหากุศลอย่างยิ่งใหญ่พอเข้าใจไหมให้คุณแบ่งตาเนื้อห้าสิบตาในห้าสิบคุณมองอาตมาอยู่เดี๋ยวนี้ก็ชำรงเข้าไปได้เลยใช่ไหมทุกคนทำได้ไหม มองล้วอยู่นี่ชํำเรืองเข้าไปได้เลยเอากินเวลาไปครึ่งชั่วโมงพอแล้วมัง้งความเข้าใจก็สมบูรณ์นะความเข้าใจก็อธิบายให้สมบูรณ์นะวันนี้นะเรื่องของสติความรู้สึกเอ หลายคนแล้วนะเขาก็ได้เดี๋โอกาสนี้เดี๋ยวขอให้ปาจอกนะครับที่ท่านพระอาจารย์พูดถึงบ่อยๆเมื่อกี้ครับเพราะว่าจริงปาจอกท่านก็เหมือนเป็นผู้ปฏิบัติมานานนะครับแต่ว่ามาช่วงหลังสักสีห้าปีเจอพระอาจารย์แล้วก็มีพระอาจารย์หลายรูปที่แนะนำท่านว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็ มาแชร์ในฟังของทางครวัตนะครับซึ่งมันเป็น่วนบุคคลนะครับที่พระอาจารย์นายรทปท่านบอกว่าถ้าหิวเราก็ต้องกินเองถ้าอิ่มเราก็จะรู้เองเพระะียนเป็นการรู้เฉพาะบุคคลนะครับก็ลองฟังดูนะครับและสามารถเจริญสติพร้อมกับการ ทำงานลึกการดําเนินชีวิตในปัจจุบันได้จนมาถึงวันนี้อะครับครับกรรมมรดการพระอาจารย์ครับกรรมมรดการครูบาสองลูปแล้วก็ญาติธัรมท่า น, นครับ <c oughs> ผมชื่อจอกนะครับชื่อเล่นนะครับชื่อยิงชื่ออัดของเลิก <c oughs> ผมก็ปฏิบัติตามแนวทางพระอาจารย์เนี่ยแหละครับรู้อยู่รู้อยู่เข้าไวข้างในนะฮะแล้วลึกเข้าไปเมื่อก่อนผมก็ทําไม่เป็นเพราะผมเขาช่าทํำสมาธิมาจนเมื่อวันที่ยี่ปบเมษา สองห้าหกหกตัวผู้รู้เนี่ยเขาดีขึ้นมาให้ผมได้เห็นนะครับขณะที่ผมกำลังจะ ก, กินกาแฟผมยอนไปนิดนึง่งพอรู้เอ้าวเขาบอกเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาไม่ได้ไปไหนเลยแล้วเราไปดูไหนโอ้โหตรงกับผ้าจารย์เลยผีกว่างอกรู้อยู่มาตั้งแต่นั้นผมก็รู้อยู่มาตลอดรู้อยู่คือคือตอนที่ผมรู้เนี่ยผมไม่ได้ทํำสมาธิเลยนะผมลงมาจากห้องพระสวดมนต์ทำสมาธิแล้วเรียบร้อยลงมาจากห้องพระนะครับแต่ว่าดีกว่าที่ว่าผมนะี่ยกำหนด กำหนดปิดไว้ตรงนี้ยตลอดผมจะมีความรู้สึกอยู่ตรงเนี้ยตลอดตลอดเวลยตลอดทุกทุกครั้งเลยที ท, ท, ที่ที่มีความรู้สึกที่ที่เรานึกได้ผมก็จะทําพอรู้สึกเสร็จ ป, ปุ๊บตอนมิถุนาไปกราบเรียนพระอาจารย์อาจารย์เขบอกเออใช่อะไรเงี้ยรู้ ร, รู้ใช่เลยอยู่ตรงเนี้แหละเสร็จ ป, ปุ๊บแต่นี้ว่าไอ้ทําไมไม่ได้อีกทีอาารบอกว่าสติเรายังอ่อนเออต้องมีสติตั้งแต่นั้นนะะผมมา ผมก็เริ่มทำตั้งแต่ตื่นนอนเลยพอตื่นมาปุ๊บผมก็จับเลยจับความรู้สึกไว้ที่หน้าอกเลยไปแปรงฟันล้างหน้าอะไรก็รู้ว่าล้างหน้าแต่กพอนั่นงเสร็จปุ๊บ ก, ก็มารู้ตัวรู้สึกรู้สึกขับรถมาทำงานผมผมพึ่งจะเกษียณเมื่อเมือม่อตุลาเมื่อต้นตุลาเนี่ยขับรถมาทำงานก็ขับมาก็มีความรู้รู้สึกตัวว่าขับรถมาแต่พอพอเราจอดรถได้เรียบร้อยปุ๊บเราจะเดินปุ๊บเราก็กําหนดจะพูดโทรก็ได้ก็ได้แต่ขอให้มี ให้ระลึกอยู่เข้าไปข้า ง, าง้างในเนี่ยระลึกอยู่ตลอดนะครับจนผมทำมาจนจนเรียกว่าพอพอนั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เห็นตัวผู้รู้รู้ผู้รู้จนวันที่ยี่ห้าตุลาที่ผ่านมาต้องขอขอเอ่ยนามพระอาจารย์าสรารสักโชยโยท่านเจ้าวาดวัดป่าเลคโคนะครับจังหวัดตราท่านมาเทศที่เนี่นะครับก็ได้มีการประลกทธรรมกันผมก็ค mm hmm. ุยเลยพ่าผมอ่ะโอ้ย รู้เนี่ยผมเห็นแล้วตัวผู้รู้เป็นยังงี้ท่านก็สะกิดมาคํานึงว่า <c oughs> ยอมดูดีๆนะตัวผู้รู้ก็ไม่ใช่เรานะผมจะอึดเลยเอ๊ะทาไมตัวผู้รู้ไม่ใช่เราอะ่ะทัวผู้รู้เราเคยคุยกับเรา <c oughs> เขาคุยได้นะครับตัวผู้รู้เนี่ยถ้าใครได้เห็นเขาคุยได้ <c oughs> เขาสัมผัสได้เขารู้ได้ด้วยอะไรจะเกิดขึ้นเขารู้ได้คว า, ามคว า, ามคว า, ามที่เขานนรู้ข้าในเนี่ยนะครับแต่ว่าบางคนน่ยถ้ารู้มัางปุ๊บจะติดนะครับผมก็พยายามไม่ถามไม่เอานะครับผมก็คุย พอวันนั้นเสร็จปุ๊บไปส่งท่านขึ้นรถท่านเทศเสร็จสองท่านท่านก็สะกิดอีกโยมโยมไปดูดีๆนะโยมมาไก่แล้วนะตัวผู้รู้เนี่ยไม่เช่เรานะเราเป็นคนรู้นะผู้รู้เขารู้อิสระนะเขาเหนือเราขึ้นไปอีกนะโอ้โหเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันที่ยี่บห้าตุลาสองห้าหกเจ็ดจนถึงวันที่สิบสี่ของพระอาจารย์เร็วสองวันแต่ลูกศิษย์อย่างผมยี่สิบวันยี่สิบวันกว่าจะมา จะมาตัวผู้รู้เนี่ยกระเด็ น, นออกนะครับผมตั้งแต่นั้นผมเลยตั้งบัญติว่าผมจะอยู่กับตรงเนี้ยตลอดพอเพราะฉผมจะเสี่แล้วผมอยู่กับตรงเนี้ตลอดทํางานบ้านอะไรไปผมก็ลึกลึกอยู่รู้ลึกอยู่ทํางานบ้านก็รู้มันก็เหมือนมีคนมารู้เราทั้งหมดเลยทําอะไรก็รู้หมดอาบน้ำมาถ้าทําอะไรกินข้าวเขารู้หมดเห็นแล้วหมดเื้ยมันเหมือนมีคนรู้ผมก็รู้ดูดูดูไปจนวันที่สิบสี่สิบสี่มิถุนาที่ผ่านมานะครับ ตอนตีสี่ผมตื่นมาเสร็จปุ๊บผมตื่นตีสามสี่สิห้าดูมือถื อ, ต, อต่อตีสามสี่ห้าก็ไปเข้าห้องน้ําแต่ช่วงยังหวะที่นั่งอ่ะนั่งบนเตียงเนี่ยจิตมันหมุนผมรู้สึกว่ามันหมุนเฮ้ยเราเป็นโรคน้ําในหูหรือเปล่าถ้าน้ําในหูมันต้องหมุนบนหัวหมุนบ้างหมุนมไม่ใช่บังเอาไปไรนลุกขึ้นไปล้างหน้าแปรงฟันพอ ต, ตอนล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยมันยิง่งยิ่งจะหมุนขึ้นเร็วขึ้นผมเฮ้ยไม่ยานแล้วพระอาจารย์บอกว่าถ้า ตัวโคง้งหรือตัวโยกหรือตัหมุนเนี่ยให้รีบหาที่นั่งสมาธิผมก็ไปเลยกลับเข้าไปนั่งที่เตียงนอนนะครับนั่งสมาธิเลยโอ้นั่งสมาธิยังไม่ทันมือซ้อนกันไม่เท่าไหร่เลยครับหมุนเร็วมากหมุนแรงมากหมุนหมุนหมุนจนมันทะลุเนี่ยความรูนน้สึกนะครับเขาวิ่งทะลุผ่านลาคอเนขึ้นมาบนหัวพอหลบหลบมาปุ๊บผมถามว่าอะไรเขาบอกนี่แหละจิตที่เป็นอิสระไม่ข้องเกี่ยวกับ ไอ้นี่แหละพอร่างกายแล้วเขาก็จะดีดรูปเวทนาสัญญาตังขานออกมากองหนึ่งซ้ายมือแล้วก็ดีดวิญญาณออกมากองหนึ่งให้เห็นแล้วก็ดีดตัวผู้รู้ไอ้สุดที่รู้ว่ารู้ ร, รู้จริงว่าของเราเนะ่ะไม่ใช่ละวมันเป็นรู้ของสังขานดีดมาสามกองผมบอกเฮ้ยนี่มันอะไรเขาบอกเขาไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วเขาอิสระแล้วเขาหน่วงตรงนี้ พอดีผมเมื่อเือนมิถุนาผมไปกราบพระอาจารย์เสร็จตอนหากลับก็มีครูแดงอยู่คนหนึ่งครูแดงเนี่ยท่านก็เป็นท่านกับบรรลุธรรมแล้วท่านเป็นลูกศิกของพระอาจารย์ผมว่าคุยกันได้คุยกันตลอดคุยกันเสร็จปุ๊บก็กลับครูแดงบอกว่าเจอะเวลานั่งสมาธิเนี่ยระวังนิมิตนะผมมันก็ไปคิดตรงนั้นว่ า, าที่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นนิมิตนิมิตมาหลอกเฮไม่ได้เฮ้ต้องถอนแต่ยังถอดไม่ได้นะตอนนั้นยังมีความรู้สึกเขายั ง, ย ง, ยงอยู่บนหัวอยู่ยังหนักอยู่บนหัว ลุกก็ลุกไม่ได้จะถอนก็ถอนไม่ได้เขาก็ให้ดูสามกองเนี่ยวนอยู่เนี้ยสี่สิบห้านาทีที่ผมยดูอยู่ตรงนี้นั่งจนผมกั้นใจกลัดออกมาผมกลัวเป็นนิมิตผมก็กลับไปทําไปอาบน้ํำไปอะไรเสร็จขับรถมาส่งแฟนส่งแฟนเสร็จก็ไปส่งลูกเสร็จกลับไปบ้านก็ไปนั่งทานข้าวเสร็จปุ๊บก็กปรส่งน้ําชามากินรงหว่างที่กินดื่มน้ําชานั้นนะ่ะ ตาอนะไปมองกระเป๋าเดินทางอยู่ว่าจะเดี๋ยวจะไปเก็บกระเป๋าเดินทางมันวางอยู่กลางบ้านเสร็จปุ๊บมันก็มีเสียงบอกว่าครูกระเป๋าอะเป็นสิ่งที่ถูกมองบอกใช่แล้วใครมองคุยเขานะเขาบอกผมก็บอกว่าตาเนี่ยมองบอกไม่ใช่ตา ม, มองเขาเป็นคนมองคนที่อยู่ตงเนี้ยเป็นคนมองคือจิตอิสระนะเขาเป็นคนมองบอกเฮ้ยใช่เหรอก็พักหนึ่งเขาก็เอาเอาผู้รู้เหมือนตอนทีสี่อะเอารูปเดนนาะตันยังถางออกมา เอาวิญญาณออกมาแลา้วพอูลูกมาแล้วเขาก็ระเบิดระเบิดตุ้มไปเขาบนหัวเนี่ยออกไปเลยดีออกไปเล ย, เเลยระเบิดระเบิดเสร็จแสงนวลขาวมากเลยแสงแดดจัดจัดเนี่ยมองไม่เห็นแสงแดดเห็นแต่แสงเนี่ยขาวนวลแล้วเขาก็เป็นฝอยกระจายเข้าไปในอากาศหายไปเลย <c oughs> เขาบอกเขาพ้นแล้วเขาอิจฉาแล้วเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับไอ้สามกองนี่ละเขาบอกแล้วผมถามว่าอ้าวแล้วผมจะอยู่ไงอะ่ะผมยังอยู่นี่เนี่ย เขาบอกก็อยู่ไปตามเวละตามสามสังขานที่สังขานยังอยู่นี่แหละก็อยู่ไปแต่เขาไม่ยุ่งเกี่ยวถัาพักหนึ่งกายเวลานิยมตังขานก็ระเบิดอิน ญ, ญาณก็ระเบิดแล้วจิตทูรุมก็ระเบิดผมก็นั่งอึง้งงงขนลุกอยู่นั่นแหละแล้วเราจะอยู่ยังไงเนะ่จิตมันมอยู่แล้วจิตที่เป็นการเวลาเขาไปเนี่ยนะเขาเหมือนที่พระอาจารย์พูดอ่ะเขาปุ๊บแทงขึ้นไปเลยนะเวลาที่เขาจะออกเขามีกําลังอะ่ะเพราะว่า ตั้งแต่วันที่25ตุลาถึงวันที่14ผมไม่ได้สง่งจิตออกนอกเลยผมมาสังเกตผมมาทวนดูเพราะผมอยู่กับอย่างเนี้ยผมคุ้นคิดอยู่กับว่าตัวผู้รู้ะทําไมไม่ใช่เราแล้วเราเมียมันจะมันไม่ใช่ผู้รู้ผมคุ้นคิดอยู่เงี้ย20วันผมไม่รู้โอ้ยเราไม่ได้สง่งจิตไปคิดอะไรให้นอกเลยคุยกับเมียคุยเสร็จดับคุยเสร็จดับมันก็อยู่ในนี้ตลอดจนผมว่าเขามีกําลัง ต, งตรงช่วง20วันนี้แหละ เขาเดินเดินเต็มที่เขาผมไม่ได้ส่งจิตออกไปไหนเลยไม่ได้คิดไปถึงใครไปอะไรเลยแล้วจนผมก็พอนั้นเสร็จปุ๊บอะผมนอนไม่ได้อยู่เจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดคืนตั้งแต่วันที่สิบสี่ถึงวันที่ยี่บเอ็ดมันไม่หลับจิตมันตื่นพอหัวจะถึงหมอนปุ๊บมันก็เด้งหัวถึงหมอนก็เด้งเขาไม่ให้นอนหมอนให้ใ ห, ใ ห, ให้ให้พิจารณาสามกองเนี้ยพิจารณาพิจารณาไปเรืเ่อยๆจนเอถึงปุ๊บ ผมบอกเดี๋ยววันที่ยี่บสองเนี่ยพระอาจารย์โสพลมาผมจะต้องมาช่วยจมลพุทธทํางานแต่ผมไม่นอนผมจะขับรถมาไงแต่มันไม่เทียนะไม่เจียนะไม่เทียไม่ไม่รู้สึกว่าง่วงไม่รู้สึกอะไรเลยนะผมกลับมาว่าเดี๋ยวผมจะนั่งหลับตอนทําฟังธมาธิธีก็ไม่หลับหลับไม่ได้ผมก็ไม่หลับจิตมันตื่นไม่หลับฟังสมรมะฟังพระอาจารย์โสพลท่านเทศก็ไม่หลับจนท่านมาเทศตอนสุดท้ายเพราะว่าได้ยินว่าท่านบอกว่าจิตที่พ้นแล้วคือจิต ที่เป็นอิสระคือจิตที่พ้นทุกข์โอ๊ยตรงกันเป๊เลยตรงเลยเออมันพ้นตรงจริงแล้วผมก็ไม่เคยตั้งแต่วันที่ดิบสี่มาเนี่ยพูดเนี่ยแต่ไม่ใช่ความคิดนะความคิดไม่มีที่จะพูดแล้วพูดกระจบพูดกระดับพูดกระดับมันหายไปเลยมันมันมันไม่มันไม่กลับเอามาคิดมาทบทวนวอ้เมื่อกี้เราพูดอะไรไม่ใช่เลยไม่มีเลยที่พูดไม่มีความคิดนะเขาพูดเอง ไม่มีความคิดไม่มีเลยแต่มาพูดนี่ไม่ได้คิดไม่ได้คิดมันมันมันไม่ใช่มนึกเพราะถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องนึกก่อนเราจะเอใช้คําพูดอะไรให้มันสรุปแต่นี่เขาพูดเขาาขึ้นมาขึ้นมาพูดพูดพูดขึ้นมาเฉยเฉยไม่มีความคิดแม้กระทั่งบางทีพูดกับแฟนที่บ้านก็ไม่มีความคิดพูดเสร็จก็จบผมก็ไปทํางานอื่นผมก็จบผมก็ไม่ทําพูดใครก็พูดก็จบพูดจบคือมันไม่มีตัวกูของกูมาลองรัก ไม่ว่าอิเลสหน้าไหนเข้ามาไม่ได้เพราะว่าตัวกูงกูมันไม่มีแล้วโรคกรหลมก็ไม่มีไปเดินห้างเนี่ยของสิ่งที่เคยชอบเนี่ยมันมามันเมินเลยบาบุญมีไหมไม่มีแล้วครับมันไปมันมันมันนั้นหมดแล้วมเียไม่มีอะไรสักอย่างอย่างอยู่ในครับไม่มีเลยไม่มีจริงๆเคยชอบกินประมึกอะเห็นปลาหมึกก็เฉยๆมันเฉยไปเองโดยทีวเฮ้ยชอบไม่ใช่เหรอมันไม่มีไม่มีเกิดไม่มีขึ้นเลยครับ มันมันมันหายไปเองนั่นไปเองเลยมันไม่มีมันมันเหมือนมันมันไม่มันไม่ทุกข์อ่ะเพราะเราทำอะไรอยู่พวกเราเพราะผมไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกเลยจนทุกวันนี้จำเนี้เนี่ยนั่งฟังอาจารย์อยู่ก็ไม่ได้ไปไหนเลยก็อยู่นะคนดีผมว่าดูการแล้วอกอ่ะไม่มีอะไรให้ดูแล้วเพราะมันมันไม่มีแล้วแต่แต่มันไม่เคยส่งจิตไปออกข้างนอกเลยนะมันก็อยู่ข้างในในกายเนี่ยตลอดเลย ถึงถึงถึงจะไม่มีแต่มันก็ไม่ได้ส่งไปคิดไปมึงอะไรไปที่ไหนเลยเราทำอะไรอยู่หนทางมันสมบูรณ์อยู่นะครับเนี่แะครับคือคืออาจจะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับสึกทําไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆรู้อยู่ตรงกลางนี้แหครับรู้แค่นี้เองนิดเดียวเองไม่ได้ยากนะครับผู้จะบอกว่าพ๋อคุณได้แล้วนี่คุณบอกไม่ยากเมื่อก่อนเออยอมรับยากแต่ต้องสู้สู้ครับ ผมดึงมันมาตลอดนะมันคิดไปผมดึงกลับมันคิดไปผมดึงกลับผมดึงกลับอยู่เงี้ยสู้มันสู้ตลอดชว่วงจังหวัดตั้งแต่ตุลามร า, มาโชคดีหน่อยว่าไม่ต้องทํางานแล้วก็ทำแค่งานบ้านทําจบก็ดูดูดูดูดทําอะไรตอนทุกวันเนี้ยเขารู้ตัวเองหลือว่าจะทําอะไรเหมือนเห็นด้วยหมดเนะี่ยทําจะหยิบจะจับอะไรรู้สึกตัวไปหมดทุกอย่างจะกินข้าวอาบาน้ําแปรงฟันล้างหน้ารู้สึกตัวทุกอย่างเออ ครับครับขอบคุณครับสาโุส้าจาสาธ